มบทแปลเรื่องที่หนึ่งยเรื่องพระประธานิกะติสัทธีร์กความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระประธานิกะติสเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอัตานันเจเป็นต้นตอน พระประธานิกติสัทธิระดีแต่สอนคนอื่นตนไม่ทำดังได้สดับมาพระเถระนั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วพาภิกษุประมาณห0 0รอรูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ จงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตนเองก็ไปนอนหลับภิกษุเหล่านั้นจงกรมในปฐมยามแล้วเข้าไปสู่วิหารในมัชชิมยามพระเถระนั้นไปสู่สำนักของภิกษุเหล่านั้นในเวลาตนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นกล่าวว่าพวกท่านมาด้วยหวังว่าจากนอนหลับดังนี้หรือ จงรีบออกไปทำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตนเองก็ไปนอนเหมือนอย่างนั้นนั่นแหลพวกภิกษุนอกนี้จงกลมในภายนอกในมัชฌิมยามแล้วเข้าไปสู่วิหารในปัจฉิมยามพระเถระนั้นตื่นขึ้นแม้อีกแล้วไปสู่สำนักของภิกษุเหล่านั้นนำภิกษุเหล่านั้นออกจากวิหารแล้ว ตนเองก็ไปนอนหลับเสียอีกเมื่อพระเถรานั้นกระทําอยู่อย่างนั้นตลอดการเป็นนิดภิกสุเหล่านั้นไม่สามารถจะทำการสาธยายหรือพระกรรมฐานไว้ในใจได้จิตได้ถึงความฝุ่งฟาดแล้วภิกสุเหล่านั้นปรึกษากันว่าอาจารย์ของพวกเราปรารบความเพียเหลือเกินพวกเราจะคอยจับท่าน เมื่อคอยจับอยู่เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราฉิบหายแล้วอาจารย์ของพวกเราย่อมร้องเปล่าๆบรรดาภิกษุเหล่านั้นลำบากอยู่เหลือเกินภิกษุแม้รูปหนึ่งไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้ภิกษุเหล่านั้นออกพรรษาแล้ว ไปสู่สำนักของพระศาสดามีปฏิสันฐานอันพระศาสดาทรงทำแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเบอกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทรรสมณธรรมหรือจึงกราบทูลความนั้นตอนเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนั้นก็ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอเหมือนกันอันภิกษุเหล่านั้นทูลออนวอนแล้วจึงทรงยังอากาละราวกุกุตตะชาดกให้พิสดารความย่อว่าอมตาปีตุสรางวัดโท อนาจาริยกุเลวะัังนายังกาละมะกาลังวาอภิจานาติกุกุโตไก่ตัวนี้เติบโตแล้วในสำนักของผู้มิใช่มารดาและบิดาอยู่ในสกุลแห่งผู้มิใช่อาจารย์จึงไม่รู้จักการหรือมิใช่การดังนี้แล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายอันธรรมดาภิกษุเมื่อกล่าวสอนคนอื่นพึงทาตนให้เป็นอันธรรมาดีแล้วพระบุคคลเมื่อกล่าวสอนอย่างนั้นเป็นผู้ฝึกดีแล้วชื่อว่าย่อมฝึกได้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอัตานันเจตท่ากริยายะทัญยะมนุษาสติ สุดันโตวะัตต ะ, ะเมธะอัตติกิระดุธโมถ้าบุคคลพร่ำสอนผู้อื่นอยู่ฉันใดพึงทำตนฉันนั้นบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะว่าได้ยินว่าตนฝึกตนได้โดยยากตอนแก้อัด พึงทราบความแห่งพระคาถานั้นว่าภิกษุกล่าวแล้วว่าพึงจงกลมในปฐมยามเป็นต้นชื่อว่าย่อมกล่าวสอนผู้อื่นฉันใดตนเองก็ฉันั้นอธิษฐานกิจมีจงกลมเป็นต้นชื่อว่าพึงกระทําตนเหมือนอย่างสอนผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอควรฝึก บุคคลอื่นบาปพระคาถาว่าสุดันโตวตาดะเมธความว่าภิกษุย่อมพร่ำสอนผู้อื่นด้วยคุณอันใดเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วด้วยตนด้วยคุณอันนั้นควรฝึกผู้อื่นบาปพระกาถาว่าอัตตาหิกิระดุทโมความว่าเพราะว่าชื่อว่าตนนี้ เป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนได้ยากเพราะเหตุนั้นตอนนั้นย่อมเป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนดีแล้วด้วยประการใดควรฝึกตนด้วยประการนั้นในการจบเทศนาภิกษุแม้ประมาณ500รูปนั้นบรรลุพระอรหัตตผลแล้วดังนี้แลเรื่องพระประธานิกติสาตถระ